พระธรร ม, มเทศนาโมโหสดจาดกจอมปราดแห่งมิถิลาภูกีสาวสามฟังแล้วเกิดพญาปัญญาปาหุือฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชุมพูรเรลียนธรรมกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ้ ตัตสาภกาวโตอาราโตสมาสัมพุทธะโพธิสัตตตจปาริสาริโยอากาศภาวังยัตตตี สาธาบูดุราสะพุริาตั้งลาลตั้งยิงงใจหนุ่มเทาอันมาหนังเฝ้าฟังธรรมจุงด้จำติดต่อตามบาทคอบาลีวาปุทีสัตตัสัพุริษาดังนี้เป็นต้นบัดนีแดเต ปุธิสัตตจสาปุริสาอันวาจุมคนใจแก่นใจแห่งนอพระติไวทรงญาณหัวาตาภูบ้านยศใหญ่ตั้งภายใต้หลวงลายได้พันภายมารอดก่อนนำสียอดกสัต์ทรา คือนางภาาผู้เท่าแม่เต้าเจ้าจุลดีนางเตวีน้อยนาฏโอรสราชกุ ม, มารนางน้องคันยอดซอยงามจื่อจ้อยปัญจาละจันทีออกอุโมงดีใหญ่กว้างไปก่อนเจ้าจังสับปัน รีพายพันกาผากออกจากปากกูมงก็ฮือสี่องค์เจ้าฟ้ายังจอดท่าเศร้าซาบนศาลากว้างใหญ่อัน่อพระติวัยบุญมีฮือแปลงดีลายหลากอยู่ใกล้ปากกูมงอันขุดลงด่าวัย จิมไกคค่กงกาส่วนพญาวิเตหาราชมีนักผาตอาจารย์โยธาหานันลมเทา ว, วังแดวดเฝ้าเตรียมองค์ออกจากอุโมองค์วนหมู่เข้าไปสู่ศาลาส่วนาาาวนางพญาผู้เทานังน่อนเทวีนางปัญจาลจันทินยอดซสอย ละโอรถน้อยเต้าจุนละานี่หันโยธามีมวนหมูมาแวดอยู่นำนาพอไปมาเสียงไข่บบอใจไผ่ไต้เมืองสน <c oughs> หากเป็นรีปนหาเท้าแห่งตันเต้าไก่ตาก็สัญญาหูใดว่าตกอยู่ใต้สัตวูทเป็นดังนูตัวน้อย อันแมวพ่อเอดหลวงลายมาแวดย้ายอยู่ไกลนี่บ่ได้ไปได้ต่างเครื่องใจร้องให้เสียงก้องไข่แดนไกล <c oughs> ส่วนเจ้าหอใจจุลนีราดผู้หาวหาสามาญยำนำโยธาหานมาเต้าวังแวดเฝ้าปารา ห่างกงกาลายหลากสองฟันว่าหากเป็นหมาย้ำดักหลคาไ ข, าขาได้ยินเสียงร้องให้ดังมาก็สัญญาจำได้ว่าเป็นเสียงนางดาทายเตวีจกักไขว่าตีกาอูบอกแกมูโยธาเยียวเข้ า, า, า, ขาจักจย่าโยย ว่าตนเต้าไทยเมืองเราใจมัวเมาจองหอยแต่นางยอดซอยเทวีตนตัวนีว <c oughs> ้ผ่าครางใจบ่ห่างจ่าจญิงบ่จากเก่าเฮือแก่ผู้คนใดก็มีฮันและนา เมื่อนั่นนอบโพธิญาณตนอง์อาตังอามาตโยธากอุตสารพิเศษอติเรกมงคลยกยังตนนางอ่อนงามจัจนปัญจาลัจันทีฮือเป็นเตวีแนบ่้างแห่งเจ้าจ้างวิเตหราชฮือนำเฮือมาบอจ้า เออเจ้าฟ้าตั้งลายรียพันภายตั้งหมู่ลงไปสู่นาวาเฮอโยธาน้ยใหญ่เฝ้าอยู่ใกล้เป็นปริวานนอปทียานนมเนาจริงบอกเต่าเจ้าวิเตหราชว่าแม่พญาพุทธเป็นแม่เต่าเจ้าจุลนี ส่วนนางชมสีพิลาศคือนางนาตั้นตาเป็นราตจายาหยดยาวแห่งตันเตาจุนานี <c oughs> ขอรพระภูมียดใหญ่อญเอาใจใส่ตามธรรมฮือแยงยำดังแม่ยอดนางงามแงนั้นตาเป็นมันดาคุณใหญ่ แห่งนางนาไทายปัญจาลจันทีอันเป็นเตวีเตา้าไทยจุงแฝงไฟปิญาส่วนกุมมารานี่นาะเป็นน้องเกิดรวมต้องเดียวกันกับสี่สุพันหยอดซอยขออย่าปล่อยวางลาจุงคุณนาะวงคอง เป็นดังนององคำนอคุณทมก่าวแล้วเตาว้าตนแกว้ววีเตหราาก็สัญญาคำใดตามตามนอพระติไวไครปันเตา้าไขรพันนีกว่าไปไปนาะเรียวไว้จริงจะครต้านต่อซึ่งเจ้าหนอบุญนา ว่าเจ้าจุงมาอย่าเจ้าขีเฮือกว่าจอมกันนอคุณทันตอบเล่าว่าข้าแด่เจ้าปา ร, ราข้าจักไกการีพาวจอมตามเต้าบุญภายบ่ออาจหม่ไปใดย้อนไผยไตโยธาคนต่างตาบวนหมูตกข้างอยู่ไปหลัง ข้าสักคังแวดไว้พ่องเป็นไครหนาไนเป็นวัดไอหิวหอดพ่องนอนจอดเ้าสาเนี่ยการมาเหมือนมากสี่เดือนหากเป็นไม้กินจ้าลายน้อยใหญ่จริงเบียนไข่ ด, ลขดีลีข้าบ่ออันีลาภากลาละจากจุ่มเขาจักเป้่าตั้งหมู พ่อเคลื่อนสู่เมืองหลังฮือสมหวังคกิดไว้บ่อฮือไผยใดเมื่อม้อนขอเต้าผู้ทอนอย่าจะไปก่อนข้าบัดเดียวเฮือไดเรียวไปรอดเมืองแก้วหยอดมีธีลาแดดเตอร์ เมื่อนั้นผาญาวิเตหราริงถามเจ้าน้อยนาฏนโมนีวารีป่นเรามีบ่หมอาค่าสักหากมีลายแวดล่อมยายเสียงไขจากป้่นเขา้าใดสันใดเจ้าก็ไขตอบทอยว่าข้าแ ด, ด่เต้าหยอดซอยปารา แม่นเรามีโยธ า, าบ่มากพัญญาหกมีลายคาศึกยายแวดไกอาจแต่ใได้ดังใจคืออาติดใสสองฝ้าไล่เมกฝ้าหายนี เจ้าปุรีฟังแล้วใจพองแผ่สมมนัสซาแล้วไข่จ้าต่อเล่าย่อกุณเจบุญมีว่าเราได้นี่ก้าภากพ้นเสียจากศัตรู ได้ดังบุญจูนยอดซ้อยมาเป็นกูหอยเตวีย้อนเสนาบอดีนักผาดผู้ฉลาดเหลือคนการเอาตนอยู่ไกล้กับนักผาดใหญ่มีพันาบ่เครื่องกาต่ําก้อยได้จื่อจ้อยเจยบ้านส่วนเสนากะจันผู้เท่าก่อยอคุณเจ้านานา เจ้าปราธิทราดลาเจ้าน้อยนาดบุญเหลือเฮไฟเฮือบอใจถึงฟังคำนาบัดเดียวแล้วรีเรียวป้าหมู่เข้าไปสู่ศาลาหนอปุท ธ, ธาตีไวเฮแปงไวยา ม, มาใจเตรียมตาแก่นใจก็้ฮเต้าไทยเมืองตนกับเต้าต่างหุนตั้งสี รีบขึ้นขี่ปลายสารตั้งมาจยงคานเลิศแล้วคือมาแก้วอันสะดอนรีบเดียวจรบ่จาไปไปนาเร็วไวไปบ่ไกแต่โสดไดหนึ่งยอดเป็นไมยก็เปลี่ยนยานลายแถมเหล่าละยนเก่าเศร้าซาแล้วไก่การีพาวไปสู่ดาวแดนไก เปลี่ยนยานไปจ้าใจหนึ่งยอดว้เป็นไมยเปลี่ยนยานไหลบ่อน่อยได้หนึ่งร้อยเป็นธาราจิงไก่กาไปรอดเมืองแก้วยอดมีทีลากเกาะมีฮันแลนา หน ม, มูนีหนุ่มเนากันเต้าเจ้านีไปก่อกาไก้ไว้วงลงสู่จองอุโมงถอดดาบลงฝังไว้ตีปืนไตดินทรายแล้วันภายรีพาวเข้าสู่ดาวอุปการบปุรีคัดอินทีอับนำไข่เสียงซ้ำกาญา สะเวย่ยโพจันะลายสิ่งรสศยิ่งนานาะและวเสาซ้ายังย่อนอยู่ในบ่อนหอในย่อนมิใจจมื่นปีติตื่นส ม, มานาจาว่ากำภพาธานาะคืดไหวเมียนเสียงไขวจูภาการ นอโปูที่หันยอดซอยนอนแล้วม่อยลับไปก็มีหันและนะผู้นาตีว่าเสกันวันลูนมาไขเต้าหยดใหญ่จุลนีอาจยามีรีภาวร้องเอื้นเป่าโยธา ว่าสูจุงดาเข้าผาปรบขาดาเปลวไวยับเจ้าห่อใจวิเตหาราชกับนักผาดภูมิพัญญาแลนวนำมาอยากจ้าคือกูพอนาตัวมันกูจักฟันฝักฟาดคือชีวิตขาดบำบายส่วนจุมใจแก่นใจอันเจ้าแต่งไวต่างตน ปอมรีปนมวนหมูบ่บออาจหูเป็นไผยก็แสงเดียวไว้บ่อจ่าใส่จ้างกาแหงงลายกันพันไผยเข้าไก่ <c oughs> ยังกำแป้งใหญ่ภาการก่อฮือจ้างสารมวนหมูแตงและอยู่สันได้ฮือจ้างเตรียมใจน้อยใหญ่ยืนอยู่ใกล้ได้ได้ ส่วนใต้พีฝ้ายจุลนีราดขีจ้างอาจมงกลนำรีปนเข้าไก่ตัดผ่าสัตว์ใหญ่ห่อคำไข ย, ยังกำหาาัดเท้าร้องเอิญเป่าโยธาเือไก่กามาผาพรบขนาบแต่งฟันนอคุณทันหนุ่มเนาตื่นแต่เจ้ายามดีจำระอินทีอาบนำ้ำ เสียงซ้ากาญาสะเวยดโฟจะนาลายสิ่งราสหญิงลายภา ก, การบ่มองผ่านไม่มาดบ่คืดขาตั้งกลัวผาดับตัวเสีงยงไข่ด้วยของกาญ่นานาแลออกก็มายืนสองตัดนา่องเบ่งจอนหันเต้าผู้ทอนจุลนิราช ผู้เฮาหาดปลาใสจางมาบ่จ่าตัดสองหน้าหอใจเจ้าจักไข่ตันต่อจริงเอินปากรอกำไปว่าดูราเจ้าหอใจจุลนีราเตจัดนำนาสันได้จ่าตันเต้ารีบด่วนเฮาเลือกการหรือใจบ้านจืนจ้อยจักสมไปห้อยคันิงไม้ จักมาตายเสียเป่าบ่อได้เล่าอันใดท้าหนูใจนักใหญ่จุงวางไว้ซับปันหรือเอาดับฟันฟักฟ่าดหือหักขาดเพทาเกื <c oughs> ียงพาดับดานาลายลากหักนักมากดีลีขอเจ้าปุริยศใหญ่ถอดวางไว้ซับปันของจูอันนั่นสด บ่มีพระยอดอันใดจุงเร็วไว้อย่าจ้าจำพัว ก, กาลีปนฮือถอยหนขึ้นสู่ยังติอยู่ปุรีจากสวดสดีเตียงมันบ่อายุสันปันตายตั้งรีปนลหลมวลหมู่ก็บ่มุกหมูเมื่อมอนเต้าผู้ทอนจุลนิราชโคตขนาดเลือใจ เอินกำไปต่อถอยว่าดูราใจาถอยเสนาบ่ดีนามึงมีสีหลายแหล่สั้นพอแต่เพื่องตาท ร, รมาดาวาไว้ <c oughs> คนจะไกลถึงตายนาบ้านลายบ่้นยดูจื่จ้อยมีสีมึงเตี้ยงเป็นผีมวยหมอดบ่ได้รอดเป็นคน จุมรีปนตัวดาวได้หันเต้าไขรจากับหนอปุทธาบุญใหญ่ไข่หูไข่ความในป้ากันไหลมาคอนเต็มไข่บนสนามตนใจรำยอดซอยก่อตอบถอยกำไปว่าข้าแด่เจ้าหอใจยดใหญ่เต้าโคตไม่เครื่องกา รีร่ำจาแต่ปากตีแต่หากจะได้เต้า้านิ่งใหม่เกิดไว้ข้าหูวไขจูพระการเกวัดอาจารย์บาปเศร้ากับเต้าเจ้าหอ่อคำได้ไขกำหลับรีกวนหุมฮีนำนาบนผางกาภาษาดเจ็ดจันอาจไปบนบ่มีคนน้อยใหญ่จักอยู่ไกลไปไหน ข้าอยู่ไกลแต่ใส่หัวแจ้งไขจูพาการเกวัดอาจารย์ใจถอยดังมาต่ำต้อยเสียคาตนราชาเจ้าฟ้าเป็นเจ้ามากาลี ขาดังมาดีองอาสินทุวราชเรวไว้เจ้าหอใจวิเตหราชเป็นเจ้ามาอาจเียงคานเต้าภูบาลยอดซอยขีมาถอยเสียขาสันไดจ้าจากไหลตันตา้าไทยวิเตหราชา้อนพาญาแห่งขาไดผากนาไกกา แต่วันว่อเมื่อก่อนเปื่อปอกบอลปูรีบอใจเต้าผู้มีเป็นเจ้าจักไปเป่าเดียวได้รีป้อนลหลมวนหมู่ก่อหลังลูตัวไป กันเจ้าหอใจหยดยาออจากไหลจอมเต้าวิเตหราชก็เป็นกาตัวใบจักบินไล่หงคำกาตัวดำต่ำโต้อยย่อมกาดก็เอตกมาหนอปุถัาบุญใหญ่บอกวัวเต้าไทยจุลนีดังราจสีตัวอง์อาจก็เป็นสี่หานาตัวยไป ว่าดูราเจ้าหอใจยอดยญ้าผภาแผ่นดาวป่าราเป็นดังมาจริงจอกขันยังดอกกาวแดงย้อนว่าแสงจันทร์ส่องกางเทือนทองดงรียามร้อยทีมืดคำก่อเกิดพมคานิ้งหมยว่าเป็นจีนลายแต่ใสจริงแวดไว้รอรา ว่าถึงวันมาผูกเจ้าก้อยปาหมู่เข้าไปกินตามอาจินไข่ ย, ยากย้อนจินมากเหลือใจถึงตาวันใสพอดออกอันเป็นดอกกาวแดงมาเล็งแยงพอคอยต่างตาก้อยมองขีปากปาันนีบอดจ้าเอวสอดละดงดาน ดังเต้าผ e ู้บ้านยศใหญ่หูวเต้าไทยวิเตหราชนำโยธามวนหมูปอกขึ้นสู่เวียงใจย่อมมีใจตาก้อยป่าพวกน้อยโยธารีบนีลาปิกปอกดังมาจิ้งจอกปาละนั้นเลนะ องสุตวาราจาส่วนพญาจุลนียดใหญ่ฟังนอพระอังติไวบุญนาไรวาจาองอาจก่อคืขดขาดคนิ่งในว่ามันจะครมันแก่นเตียงมีแม่นดีดีือเจ้าปุรีวิเตหาราตั้งอามามย์โยธามีนำนามวลมาก ได้ปนจากมือกูมันเป็นสถูตัวใหญ่กูเกิดไว้ในใจว่าจักยับมันไปคำคากับเจ้าฝ่าวิเทหราชบัดนี้น้ามันปล่อยเฮเต้าถอยหนีไปควรเร็วไว้อย่าจะยับมันมาค่าคนเดียวเมื่อเราเตียวไปสู่ยังตีอยู่เมืองมัน เพืือแต่งฟันรบภาพเกนคนาประวีเปื่อข้าเต้าภูมีวิเตหราชเจ้าภาสาดหอจันกับตัวมันนี่ใส่หือ้อเมียนไข่จอมกันกอดย้อนตัวมันนี่เล่าหือ้อหนุ่มเทาโยธามีนำนามวนหมู ล้อมเมืองอยู่จูปายเล่นนี่ตายเสียงควายบ่อเว้นไว้คนใดโยทาไหนอาจกาเล่นนี่กว่าเป็นแทวผ้ามัดแอวละไว้บ่อตันใดตัวไปมันจังไรลายหลากกูนี่หากยิ น, นอายย้อนตนใจนี่เล่าหากเป็นเก่าดีลี เต้าจุลานีโคเทาร้องเอินเปล่าโยธาวาสูจุงมาทวนนาหยับใจหยับจ้ามาปันตัดตีนมือมันหือขาดเอาดาบปาดใบหูนำมาหื้อกู้หยับใจขึงเดือหนาดินดานดังจ้งผู้จานานหูไข่ขึงดังเสือใหญ่และราจสี ขอคุมดีดาไว้กูจักแต่งใส่หัวใจหือมันเร็วไวก้อยกาดชีวิตขาดเป็นทีนอกมูนีบุญใหญ่ก่อนแย้มไขหัวใสซับปันว่ารอยเจ้าหอจันนี่ใสบู่ไขขีย้ยาว่านาังนันตาน้อยหนาอักกราชมะเหสีนังชาลากะเตวีผู้แม่ ลวกรมแง่ยิงใจเราหืนโยธาไมริภาวนำไปสู่ดาวมีทีลากวนเราจากเก่าหื้อเต้าหูตามีหื้อเจ้าปุริเมืองกวางสายกเรือหลังจังบัดเดิ้วเจ้าก็เริยวต้านก่าว่าคาแดเต้าภูมี เต้าเครื่องขีโคตดกาเยี่แก่ข่าสันได้เจ้าหอ่อใจวิเตหาราชก่อจักเย่เฮือดังนาดนันตาดังตนราชาเจ้าฝ่ายแย่ฮือแก่ข่าดีลี ย่อนเจ้าปูรีวีเตหราชเจ้าภาษาตมิธิลาได้ปฏิญญาต่อข่าวกันเจ้าฝ่าจุลนีเนียยบอดีถอยจา้าเือแก่ข้าสันได้ก่อจักเรียวไว้รีภาวเนี่ยแก่นางเต้านันตากับบุตตาอ่อนน้อยนางยอดซ้อยปัญจาลจันที นางชาลากะตวีผู้แม่ บ, บ่เวนแวคนใดเจ้าห่อใจจุลนิราตฟังเจ้าน้อยหนาใครจ้าก็ว่ามันนีนาะบอกเราเป็นกำเป่าได้ได้ย้อนคนตั้งหลายตั้งสีได้รับนี่การ ญ, ญาในพังกาภาษาศ ไปบ่อาดไปหันตัวแห่งมันนี่ไส่หากังไก่เดือดลายย้อนกลัวตายกาดก้อยจิงเ่าวทอยดวงพางเจ้าบุญขวางยศใหญ่หูวังเต่าไทยอาเท่าบ่อเจ้ากรรมเจ้าเ่าวจิงรีพาวไขเจ้าว่าข้าแดงมหาราชเจ้า ตนเป็นเก่าแก่รีปนจุงส่งคนไปพอฮือแจ้งต่อสายตาว่ากมค่าจะเป็นแกนหรือบ่แม่นสันได้เจ้าห่อใจจุลนิราศก่อฮืออามาดเตรียมตนรีเปรรนฝั่งฝ้าไปสู่ดาวผางกาคนต่างตาแก่นใจรีบซาใสาไปปัน ขึ้นหอจันทาาทถึงห้องราทหอในบ่อมีไผยอยู่เฝ้าตั้งสี่เจ้าหายหนเขามัดคนก่อมใจห้อยแขวนไวใ้ใยายเงินคำลายหายกว่าตั้งเรื่องงาอลาัางการของเจียงคานก้ามากก็ะหายผักมดสอยมีแต่ห้อยข้างไว้ คงเกรื่องใจนานาก่อเพธาแตกม่างบ่มีข้างอันใดก่อเรียวไว้รีภาวมาบอกเต้าตามีเต้าจุลานี้ที่ราดร้อนไม่มาปปานไฟโกท่าไหนมากเต้ายิ่งกว่าเก่านานำดังงูเห่าดำตัวใหญ่ <c oughs> ตานเอาข้อนใส่ตีหัวใจเมามัววุร้อนตุกทางคอนทมดาวตุกนานาหลาหลากมะหัวสดหากปามีคือนำเจ้าปุรีวิเตหราชเือก้อยกาดเสียกู้นำนั่งบุญจูยอดซ้อยเฮอกาดก้อยเสียไก่คุรเรียวไว้อย่าจ้า ยับมาคาแต่งฟันหนอคุณทันบุญกว้างหันเจ้าจ้างเครื่องกาก่อพิจารณานะคืดเหล่าว่าเต้าโศกเศร้ามองขีโกธาบีเดือดไม่เตียงหือภผยไตใจไฟยับกูไปํำคาืฮความนาบำบายกวนอุบายก่าวทอย ยอดนังยอดซอยเตวีหื้อเจ้าปุรีใจอ่อนมาหน้าผ่อนเบาบางหื้อเจ้าหอกควางยดใหญ่หูแจ้งไขตามีว่ากันข้าเสนาบดีกาดก้อยเตียงบดได้นางยอดซอยขึ้นมาย้อนผ่านยาวิเตหราชก่อจะก่านางนาสันเดียว นางตาเขียวยอดซอยกอจักกัดก้อยเป็นเพีย่ยอนเจ้าปุรีที่ราชหัก น, งนังดาสมือใจกันข้านิ่งในเบี่ยนแล้ว <c oughs> เจ้าตนแก้วนอตาสะ้นก่อนย่อมือตอนบอดจหาจี้ไปไปลายนาเป็นไมว่านางบุญภายยอดซอยงามจื่อจ้อยนันตา กับบุตตาลวกเต้าตั้งแม่เต้าเจา้าผู้บอนโยธาหาันแห่งคานํำสีเจ้าฟ้าบุญนาีีใกล้กาใหญ่าบาทจากภาษาทหอคงมาด้วยอุโมงนีไใสานางหากใด้พันภายจอบโยธาลหลมวนหมูเปือ่อไปสู่มิถิลา แด่มหาราจเจ้าตนเป็นปินเก้าปุรีอันว่านางเท ว, วีวิลาศคือนางนาฏนันตามีลักขณ า, าผาเสด <c oughs> งามลำเลิดเหลือคนดังดั ง, ดงบนฝากฝ้าลงแหลงลาลงมาทารงโซพาญิ่งแย้มส่องายแก้มเพียบผิวคำ ตานินดำว่าว่องเกี่ยวก้อมกองดังคาทะนโชมนังดูยิ่มแย้มยิ่งกว่าจางแต้มหากฤิษนายามนางจ่าอ่อนอ้อยฟังจืนจ้อยหัวใจบอมีไผยเพยียบได้พับโลกไตพัาวีกันตนภูมิเจ้าฝ่าจักาคาือขาเมื่อมอน ขอผูทธนวิเตหาราชก่อจักขานางนาดมาร า, าสองเราราตั้งกู่ก่อจักไปสู่ยมพิบาล <c oughs> การหัวอาการแจ้งที่บ่มีตีสังกาว่าสองเราราความนานย้อนตันข้าสะมือกันยมพิบาลก่อจักปันบาจา่จ้า คือนางนอลานันตาเป็นภริญาขาน้อยสมไฟหอยขานิ่งไมยแม่นว่าตายไปแล้วได้นางแก้วเตวีก็ยินดีหลายลากตุกข์ก่อจากพระไข่หลหนอตะสะพนบนกวางไข่ก่าวอ้างวันนานๆยังนางนันตาหยดซอย มีบ่อน้อยลายภากาดดังนำนางนงคานยดใหญ่มาตั้งไว้กองตาแห่งพาญายศเงวคือตันเต้าจุนลนีก็มีวันนั้นแลนา เนี่ที่ตังขีญยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุมะโหสุดผูกสาสามก่อบังกมสมดิษฐ์เสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล่